เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้วันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่สําคัญของพุทธาศาสนิกชนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ ปล่อยวางจากความกิกการงานต่างๆเพื่อให้มาวัดเพื่อมาสร้างประโยชน์สร้างความสุขสร้างความประเสริฐให้แก่ชีวิตจิตใจของตนเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีความสำคัญยิ่งกว่าใจของพวกเราทั้งหลาย เพ้าใจเป็นที่ตั้งของเหตุของความสุขและความทุกข์และเป็นที่ตั้งของผลคือความสุขและความเจริญหรือความทุกข์หรือความเสือ่อมใจเป็นผู้สร้างเป็นผู้กระทาแล้วใจก็เป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหยุด การทำอาหากินไว้สักวันหนึ่งก่อนแล้วมาสร้างสิ่งที่ดีให้แก่ใจมาชำระสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากใจเพราะในวันธรรมดาที่เราต้องทำอาหากินนั้นเรามักจะทำในสิ่งที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเสมอไป เราบางครั้งบางคราวก็จะทำในสิ่งที่เป็นโทษกับเราในการทำอาหากินบางทีเราก็รู้สึกว่าการรักษาศีลห้านี้มันยากมันลาบากเพราะเราอยากจะได้เงินมากๆอยากจะได้กำไรมากๆหรือการให้ทานการเสียสละก็รู้สึกว่ามันยากเพราะ เวลาเราธรรมาหากินเราก็มุ่งที่ผลกำไรที่สูงสุดใจของเราก็เลยไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องการให้ทานคิดถึงเรื่องการเสียสละแต่พอถึงวันพระเป็นวันที่เราไม่ต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทองเราก็เลยไม่ต้องคิดถึงเรื่องผลกำไรอย่างเดียว วันนี้เรามาคิดถึงประโยชน์สุขของใจของเราบ้างและเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนรู้ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ใจของเราเราก็ทำกันวันนี้เราจึงไม่เสียดายเรื่องเงินทองข้าวของต่างๆเรายินดี ที่จะให้ยินดีที่จะสละเพราะเราเชื่อว่าการเสียสละการให้นี้เป็นประโยชน์สุขแก่ใจของเราทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจมีความพอใจทำให้กิเลสความโลภนั้นน้อยลงไปทำให้ความตณหนีน้อยลงไปทำให้ความเห็นแก่ตัว น้อยลงไปวันนี้เราทำได้เพราะเราไม่ได้มุ่งไปที่การทามาหากินหาผลกาไรเรามุ่งมาที่ความสุขของทาง จ, จิตใจการทำทานจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายไดและการรักษาสิงก็เป็นสิ่งที่ง่ายดายเช่นเดียวกันเพราะวันนี้เราไม่ได้หวังผลกาไร เราไม่ได้ต้องการอะไรจากใครและเราก็ไม่กังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับเราถ้าเราต้องพูดอะไรเราก็จะพูดความจริงไปหรือถ้าเราพูดความจริงไม่ได้เราก็พูดเรื่องอื่นไปหรือนิ่งเสียแต่เราไม่จำเป็นจะต้องพูดปดเพราะเรารู้ว่าการพูดปดนี้ มันเป็นโทษแก่ใจของเราเวลาเราพูดปดแล้วใจของเราก็จะมีความกังวลกลัวว่าผู้อื่นเขาจะรู้ว่าเราพูดปดเราก็จะมีความกังวลและเมื่อเราพูดปดไปมากๆแล้วเราก็จะลืมไปว่าเราพูดปดอะไรกับใครบ้างยิ่งเกิดความกังวลใหญ่จนทำให้ นี้ไม่มีความสุขใจหรือถ้าเขาจับได้เขาถามก็ต้องโกหกซ้ําไปอีกเพื่อเป็นการปิดบังการโกรหกของเรายิ่งทําโกหกมากมายเท่าไหร่จิตใจของเราก็ยิ่งมีความวุ่นวายมีแต่ความกังวลมากขึ้นไปแต่ถ้าเราถือศีลอย่างวันนี้เราก็ไม่กังวล คือเราจะไม่พูดปดนั่นเองเราจะพูดแต่ความจริงคนฟังจะชอบไม่ชอบก็ไม่สำคัญเขาจะเกลียดเราหรือเขาจะรักเราก็ไม่สำคัญอะไรเพราะเราให้คุณค่าให้ความสำคัญต่อศีลมากกว่าอย่างอื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิต เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาศีลธรรมความดีงามเพราะศีลธรรมนี้จะปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาใจของเราไม่ให้ไปตกต่ำถ้าเวลาไปเกิดก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรม ในนรกถ้าเรารักษาศีลได้ยิ่งกว่าชีวิตผู้ที่จะรักษาศีลได้ยิ่งกว่าชีวิตนี้ก็ในในในตำราก็แสดงไว้ว่าคือพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านจะไม่ละเมิดศีลห้าโดยเด็ดขาดท่านยอมแลกชีวิตเพื่อรักษาศีลด้วยความที่ท่าน มีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองท่านเห็นแล้วว่าการทำบาปทำกรรมนี้เป็นเหตุที่ทำให้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างและท่านก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเลยและก็ไม่มีใครที่จะมา หักห้ามยับยั้งได้นอกจากเราที่จะหักห้ามยับยั้งการกระทำบาปนี้เท่านั้นถ้าไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปใช้เวรชัยกรรมแต่ถ้าทำบาปแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาล้างบาปให้กับเราได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระ อ, อริยสงสาวโกทั้งหลาย ท่านก็ไม่สามารถล้างบาปให้กับเราได้มีแต่เราเท่านั้นที่จะล้างบาปได้คือเรายอมตายเพื่อรักษาศีลธรรม ถ, ถ, ถ้าอย่างนี้แล้วบาปต่างๆที่เราเคยทำมาในอดีตมันจะไม่สามารถส่งให้เราไปเกิดในอบายได้แต่มันยังไม่หมดมันยังตามมาในภพของมนุษย์ไา้ อย่างพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีบาป ก, กรรมที่เคยสร้างไว้ในอนดีตมีเวรกรรมที่เคยสร้างไว้ในอนดีตมาตามจองล้างจองขวานในรูปของพระเทวทัตพระเทวทัต น, นี้ท่านเป็นคู่เวรคู่กรรมของพระพุทธเจ้า มาแต่ดึกดำบรรมาหลายพบหลายชาติด้วยกันมีเล่าว่าชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดเป็นชายพระเทวทัตก็เกิดเป็นชายทั้งสองคนก็มีอาชีพซื้อของเก่าแล้ววันหนึ่งก็มียายมีของเก่าอยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นของมีค่ามาก แต่ยายแกไม่รู้ยายก็ไปถามพระเทวทัตว่าจะให้กี่ตำพระเทวทัตก็บอกว่าจะให้ร้อยหนึ่งพอไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไอนี่มันมีราคาเกินร้อยมีหลายเกินร้อยหลายร้อยเท่าด้วยกันยายก็เลยไม่ไปขายให้กับเทวทัตขายให้กับพระพุทธเจ้า พอเทวทัตทราบข้าวก็เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทมาตั้งแต่นั้นมาเกิดกันที่ไหนเจอกันเมื่อไหร่ก็จะตามจองล่างจองฐานกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเกิดในชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นญาติกับพระเทวทัตพระเทวทัตก็เป็นเจ้าชาย หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วพระเทวทัตกับพระญาตอีกห้ารูป ก, ก็มีศรัทธาออกบวชตามพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระอาจารย์และศึกษาปฏิบัติอยู่ในธรรมวินัยมาจนถึงเวลาที่พระพุทธเจ้ามีอาการชราภาพแก่เท่าลง พระเทวทัตซึ่งยังไม่ได้บรรลุพระอาริยะมรรคอริยะผลแต่ได้บรรลุอิทธิฤทธิ์ได้สมาธิการได้อิทธิฤทธิ์หรือการได้สมาธินี้ยังไม่ได้ไปดับความอยากต่างๆความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนี้ไม่ได้ตายไปด้วยอิทธิฤทธิ์หรือตัวตายด้วยกําลังของสมาธิ มันต้องตายด้วยกำลังของปัญญาแต่ผู้แต่พระเทวทันนี้ยังไม่ได้เจริญปัญญายังไม่ได้บรรลุขั้นของพระอระหันต์ที่ตัดความมักใหญ่ไฝ่สูงความอยากมีอยากเป็นได้ตนเองก็เลยเกิดมีความกระสันคิดว่าตนเองเก่งมีฤทธิ์มีเดชก็เลยกราบทูลขอพระพุทธเจ้าให้ทรง มอบอำนาจให้แก่พระเทวทัตให้เป็นผู้ปกครองสูงแทนพระพุทธเจ้าเนื่องจากเห็นว่าพระพุทธเจ้าฉลาภาพมากแล้วแต่พระพุทธเจ้านี้ทรงมีญาณทรงรู้ว่าพระเทวทัตนี้ยังมีหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหายังไม่เหมาะสมที่จะปกครองสงฆ์ก็ทรงปฏิเสธไปทรงตรัสว่า อัคละสาวกของเราทั้งสองคนคือพระโมคคลาที่มีทั้งฤทธิ์มีทั้งเดชและมีปัญญามีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสและภาษาลิบุตรที่มีพระปัญญาอันเฉลียวฉลาดมีความสามารถในการสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่น ได้ลองจากเพียงแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพระองค์พระพุทธเจ้าเก็ยังไม่ได้แต่งตั้งให้พระสาวริบุตรหรือพระมุกกาานะเป็นผู้มีอำนาจปกครองสงแทนพระองค์เลยแล้วเธอเป็นใครมาจากไหนเธอยังมีกิเลสอยู่เต็มหัวใจยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีความอยากต่างๆแล้วเธอจะมาปกครองให้ผู้อื่นเขา ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากได้อย่างไรเมื่อส่งตัดอย่างนี้พระเทวทัตก็เกิดความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก็เลยวางแผนที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าตอนต้นก็จ้างคนให้ไปฆ่าพระพุทธเจ้าสองคนไปจะฆ่าพอเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เขาเห็นถึงบาป เห็นเห็นโทษของการฆ่าผู้อื่พวกเขาก็เลยไม่กล้าฆ่าพระพุทธเจ้าเพราะกลัวบาปกลัวตกนรกเมื่อไม่สามารถส่งคนมาฆ่าพระพุทธเจ้าได้พระเทวทัตก็เลยไปปล่อยช้างออกมาหวังให้ช้างเหยียบ <karşı. S 1> พพบพุทธเจ้าให้ตายแต่พอช้างเห็นพระพุทธเจ้าที่ทรงแผ่พระเมตตาบามีออกมา ช้างก็ไม่มีความคิดที่อยากจะทำร้ายพระพุทธเจ้าในที่สุดเทวทัตก็เลยต้องขึ้นไปบนเขารอให้พระพุทธเจ้าเดินผ่านมาแล้วก็กลิ้งก้อนหินก้อนใหญ่ลงมาเพื่อหวังจะทับให้พระพุทธเจ้าตายไปแต่ทำได้อย่างมากก็เพียงแต่มีสะเก็ดของก้อนหินนั้น ทำให้ห่อเลือดของของพ่อบาทของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเองเมื่อไม่สามารถทำร้ายพระพุทธเจ้าได้แล้วเทวทัศ์ก็เกิดความเกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตจนในที่สุดก็เกิดความสำนึกผิดว่าตนเองนี้ ทำบาปทำกรรมอย่างใหญ่หลวงก็เลยเดินทางเพื่อจะไปกราบขอขมาพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่จะถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็เกิดมีเหตุการแผ่นดินไหวขึ้นมาแล้วก็ดูดร่างกายของพระเทวทัตลงไปในดินก่อนที่จะถูกดินดูดลงไปหมด มีเหลืออยู่แต่คอโผล่ขึ้นมาเทวทัตก็กล่าวขอถวายกรามของพระเทวทัตนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธเจ้าขอแสดงความสำนึกผิดขอขมาลาโทษแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกแผ่นดินสูบตายไปพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่า เทวทัตนี้ทำบาปทำกรรมไม่มากื่อตายไปแล้วเขาจะต้องไปตกนรกใช้เวรใช้กรรมต่อไปแต่เนื่องจากเขาก็ได้สร้างบุญสร้างบา ร, รมีนามากพอสมควรและเขามีความสำนึกผิดในบาปที่เขาทาหลังจากที่เขาใช้เวรใช้กรรมหมดแล้วเขาจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ และได้บรรลุเป็นพระประเจกกะพระพุทธเจ้าต่อไปนี่คือเรื่องของบาปก ร, รับที่เป็นสิ่งที่จะตามมาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องเผชนกับเวรกรรมที่เคยสร้างไว้และเนื่องจากทรงมีพระบารมีที่แก่กล้าที่สามารถปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้พระองค์นั้นถูกผู้อื่นทำร้ายได้แต่สำหรับพวกเราถ้าเรายังไม่ได้สร้างบุญบารมีมาเท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าเราก็จะต้องถูกเวรกรรมต่างๆมาจองล้างจองพรามอย่างแน่นอนและถ้าเรายังไม่ได้บรรลุอริยะมรรคอริยผล คือตั้งแต่ขั้นพระโสดาบาันขึ้นไปเราก็ยังต้องไปเกิดในอบายต้องไปใช้เวชใช้กรรมต่อไปสมมติว่าถ้าชาตินี้เราตายไปแล้วเราไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไม่อยากจะไปตกนรกเราก็ต้องเร่งความเพียรต้องเร่งศึกษาปฏิบัติทำบุญให้ทานให้เต็มที่ รักษาศีลให้เต็มที่นั่งสมาธิเจริญปัญญาให้เต็มที่จนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุเป็นผ้าโสดาบัรขึ้นมาถ้าเราทำได้อย่างนั้นแล้วอย่างน้อยเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้ว่ายัางจะมีเวรกรรมมาผจญอีกแต่เราก็จะมีธรรมะ คอยคุ้มคอรองจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ทรมานใจคือถ้าเรายอมตายสี่อย่างแล้วเราจะไม่ทุกข์ทรมานกับเวรกรรมต่างๆใครจะมาทำอะไรกับเราอย่างมากที่เขาทำได้ก็แค่ฆ่าเราเท่านั้นเองหรืออย่างน้อยเขาก็ไปฆ่าคนที่เรารักฆ่าญาติฆ่าพี่น้องฆ่าภรรยาฆ่าสามีฆ่าลูกเรา หรือทำลายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่มีความสำคัญเท่ากับชีวิตของเราถ้าเรากล้าเสียสละชีวิตของเราแล้วเสียอย่างอื่นนั้นจะไม่กระทบกระเทือนใจเราเลยแต่การยอมตายหรือการกล้าที่จะเสีย ส, สียชีวิตนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะตายทันทีทันใด เราก็ยังอยู่เป็นปกติแต่อยู่ดีกว่าตอนที่เราไม่ยอมตรงถ้าเราไม่ยอมกลงเราจะอยู่อย่างหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาและเราจะคิดไปทําไม่ดีไม่ไร้ายเพื่อป้องกันชีวิตของเราเช่นถ้าเรารู้ว่าคู่อริของเราหรือศัตรูของเราเขาจะคิดปองร้ายเราเราก็เลยไปทาร้ายเขาก่อนอย่างนี้ไม่ได้เป็นการล้างบา นี่เป็นการตัดเวรตัดกรรมแต่กลับเป็นการสร้างบาปให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกและเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกพอหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ต้องไปใช้กรรมในอบายแล้วเมื่อเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเขาเจอเราอีกเขาก็จะมาจองร่างจองพรานเราต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุด จะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อเราไม่กลับมาเกิดอีกเมื่อเราได้บรรลุถึงพระนิพพานเท่านั้นถึงจะเป็นการสิ้นสุดของเวรกรรมทั้งหลายถ้าเราไม่อยากจะมีเวรมีกรรมเราก็อย่าไปทำบาปทำกรรมเพราะเวรกรรมนี้เกิดจากการทำบาปทำกรรมเกิดจากการจองเวรจองกรรมดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเวรไม่ระงับ เวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวณย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรดังนั้นขอให้เรายอมเถิดเมื่อมีเวลาที่เวรกรรมมันตามมาราวีมันตามมารบรบกวนเราอย่าไปหนีให้เสียเวลาหรือจะหนีก็ได้ หลบก็ได้จะหลีกก็ได้ถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้หนี้ไม่ได้ก็ปลงไปเถิดไว้ให้มันเกิดขึ้นเมื่อเวรมันหมดแล้วมันก็จะหมดไปมันหมดกําลังแล้วมันก็จะหมดไปถ้ามันยังไม่หมดมันก็จะตามมาใหม่อยู่ดีเราหนี้มันได้วันนี้พรุ่งนี้มันก็จะตามมาใหม่มันจะตามมาจนกว่ามันได้ได้ได้ได้ ได้ร้ำนแค้งได้สำเร็จประโยชน์ของมันเท่านั้นแม้แต่พระแม้แต่พระสาวกเช่นพระโมคคัลลานะที่มีฤทธิ์มีเดชท่านก็ยังไม่ใช้ฤทธิ์ใช้เดชในการหนีเวรหนีกรรมเมื่อมีคนมาจะฆ่าท่านถ้าท่านใช้ฤทธิ์ใช้ฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ท่านก็หนีได้ล่องหอนหายตัวได้แต่ท่านบอกว่า หนีไปวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาดังนั้นก็ปล่อยให้เขาทําไปตามตามความปาถนาของเขาเถิดท่านยอมตายเมื่อตายแล้วมันก็จบกันถึงแม้ไม่มีเวรมีกรรมมาตามจองร่างจองพรานเราก็ต้องตายอยู่ดีแต่การที่เรายอ ม, ยอมเราตรงได้นี้จะทำให้เราอยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างมีความสงบปราศจากความหวาดกลัวปราศจากความวุ่นวายต่างๆนี่คือเรื่องของการรักษาศีลของการไม่ทำบาปถ้าไม่อยากจะมีเวงมีกรรมก็อย่าไปทำร้ายผู้อื่นอย่าไปฆ่าผู้อื่นอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอย่าไปเอาสามีเอาภรรยา ของผู้อื่นมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาของเราอย่าไปโกหกหลอกลวงผู้อื่น <c oughs> การหยุดการกระทำบาปนี้มันง่ายมันดีกว่าที่จะต้องไปใช้บาปใช้กรรมในภายหลังและอย่าไปคิดว่าจะแก้บาปแก้กรรมได้อย่างมีที่คนเชื่อกันว่า เวลามีเคราะห์มีกรรมก็ให้ไปสะเดาะเคราะห์กันด้วยวิธีการต่างๆมันสะเดาะไม่ได้เพราะกรรมนี้เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับผ ล, ลไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วไม่ช้าก็เร็วผ ล, ลไม้มันก็ต้องออกผลออกมาแต่ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้มันก็จะไม่มีผลออกมามันอยู่ที่เหตุที่ผล ดังนั้นเราจึางต้องมารักษาศีลกันเพื่อป้องกันเวรกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนเวรกรรมที่จะตามมาในปัจจุบันเราก็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องต่อสู้ทมย่อมชนะอธรรมถ้าเรามีธรรมะคือศีลถ้าเรามีธรรมะคือศีลมีสมาธิมีปัญญาใจของเราจะไม่หวั่นไหวกับ เวรกรรมต่างๆใจของเราจะไม่เดือดร้อนเพราะใจของเราจะมีธรรมะมีสิงมีสมาธิมีปัญญาไวป้ปกป้องเป็นเหมือนเกราะคุ้มครองจิตใจมันเวรกรรมจะทําได้ก็เพียงแต่ร่างกายหรือทรัพย์สมบัติของเราเท่านั้นแต่มันจะไม่สามารถทําให้ใจของเราทุกทรมานได้เลย ใจของเราอยู่เป็นปกติสุขเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะใจของเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ใจของเราปลงได้อะไรจะเกิดก็เกิดไม่หวาดกลัวไม่คิดที่จะไปห้ามมันไม่ให้เกิดเหมือนกับเรารู้ว่าฝนจะตกแล้วเราก็รู้ว่าเราไปห้ามฝนไม่ให้ตกได้เราก็ปล่อยมันตกไป ใจของเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราอยากให้ฝนไม่ตกและเราต้องพยายามทำทุกวิถีทางเราก็จะวุ่นวายใจเราก็จะเดือดร้อนใจและในที่สุดมันก็ตกอยู่ดีเพราะเราห้ามไม่ได้เช่นเดียวกับเวรกรรมหรือความตายของเราหรือการสูญเสียการพัดพรากจากสิ่งต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะมีเวรีกรรมมาหรือไม่ก็ตาม ในที่สุดมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีความตายมันต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนการพาดพลากจากสิ่งต่างๆที่เรารักก็ต้องเกิดขึ้นด้วยกันทุกคนไม่มีใครไปหักห้ามได้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่คนที่ฉลาดคือคนที่ปรงได้นี้จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนใจอย่างใดคนที่ยังปรงไม่ได้ ก็จะต้องเดือดร้อนไปจนมันตายและจะเดือดร้อนต่อไปในภพหน้าชาติหน้าต่อไปอีกเพราะมันยังปลงไม่ได้ตาบใดที่ยังต้องเกิดมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากสิ่งต่างๆถ้าไม่ปง่งก็ยังก็จะต้องทุกทรมานอยู่เรื่อยๆน้ำตาที่เราหลัง่งเนื่องจากความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้นั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้ามารวมกันแล้วมันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรเสอีกเนี่ยก่อนมาก็ร้องไห้ชาติหนึ่งก็ร้องไห้ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มารวมรวมกันนับดูแล้วว่าพบชาติมันจะมากขนาดไหนถึงจะได้น้ําตามากกว่าน้ําในมาหาสมุทรนั่นแหละคือความทุกข์ทรมานใจของพวกเรา ถ้าตราบใดเรายังปรงไม่ได้เรายังตัดไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราปรงได้เราตัดได้เรายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องหลั่งน้ำตาอีกต่อไปเพราะเราจะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปนั่นเองเพราะเรารู้แล้วว่าการเกิดนี้มันมีแต่ความทุกข์ มีการไม่เกิดเท่านั้นที่จะไม่มีความทุกข์ดังที่พระบาลีที่ตัดไว้ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ดังนั้นเราจึงควรที่จะมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนในเบื้องต้นก็เอาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อน เช่นวันพระเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเราเห็นผลว่าดีแก่ชีวิตจิตใจของเราแล้วเราก็จะเกิดฉันทะวิริยะเกิดความยินดีเกิดความอุตสาหะความภาคเปลี่ยนที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นต่อไปเราก็จะมาวัดมากขึ้นจากวันหนึ่งก็มาสองวันสองวันก็มาสามวันแล้วก็มาเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาอยู่วัดเลย ถ้าเป็นผู้ชายก็มาบวชเป็นพระเป็นผู้หญิงก็มาบวชชีอยู่วัดปฏิบัติธรรมนี่ละเป็นทางที่ดีที่สุดเป็นทางที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดเป็นทางที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงไม่มีทางอื่นทางที่พวกเรากำลังทำไปกันอยู่นี้เป็นทางที่จะพาเราไปสู่ความทุกข์ กองทุกข์ที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือความแก่ที่จะตามมาความเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะตามมาความตายที่จะตามมาการพัดพรากจากสิ่งที่เรารักจะตามมาอย่างแน่นอนเพราะเราอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเป็นโลกที่ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเป็นโลกที่ไม่ใช่เป็นเป็นของเราอนัตตาที่ แสดงว่าไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ใช่ของเราบริษัทบริวารสามีภรรยาญาติสนิทวิสหายไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้หลมไฟร่างกายของคนทุกคนมาจากดินน้ำลมไฟและจะต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟในที่สุดดังนั้นขอให้เราตปรงเสียตักเสีย ด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีกำลังมีแสงสว่างมีความรู้ที่จะทำให้เราตรงได้ถัดได้เพราะเราจะเห็นแล้วว่าถ้ายึดติดอยู่เราจะต้องทุกทรมานไปตลอดนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระเพื่อมาทราบประโยชน์สุข ให้แก่ชีวิตจิตใจของเรานี้ให้ท่านได้นําไปพิจารณาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออุปสมผลบุญที่ท่านได้มาบรรเทากันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวร น, นะสุขภาระ โดยทั่วหน้ากัรเธอ